ฟังธรรมต่ออให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติทั้งที่เราได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เราก็ได้สาธยายพระสูตรสรรเสริญุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ธรรมเทศนา ก็รรมจากขบวัสูตรที่เราได้ฟังวิที่นี้เกิดมาจากกรรมฐา น, นะกุกรรมฐานเป็นต้นเหตุจึงมีธรรมเทศนากันนี่ขึ้นมาเกี่ยวข้องกันกรรมฐานก็คือที่ที่เราได้ทำอยู่นี้ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดพระเจ้าก็คือกรรมฐานในวันเพ็ญเดือนหกนั้นสิท ธ, ธิทาพระสิทตาได้นั่งเกิด ต, ต้นโทนต้ น, นสีมหาโพโพธิปัหลงได้กู้แขนเข้ามีสติเกียรแขนออกไม่สติ ก็จะเห็นหอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเกับกว่ากับใจที่ได้แสดงไว้นั้นว่ า, ากายสว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลเข า, าเป็นขบวนการลื่ถูกขนตัวตนที่เกิดในกายที่เป็นตัวเป็นตน เห็นความจบความทุกข์ที่เกิดกับจายกับจายก็ลื้อถอนสักตัรว่าจบตักว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหลอกเขาเห็นความคิดที่เกิดขึ้นขณะที่มีสตินั้นก็เห็ น, นสักว่ากิจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหลอกเขา <c oughs> เห็นธรรม ที่เป็นสิ่งที่มกักมาิเกิดขึ้นถ้าความม่วงเหงาห้อยนอนความเรเลยสงสัยความคิดฟุง้งซ่านความพอใจไม่พอใจ เ, เกิดขึ้ น, นก็ศัพท์ ว, ว่าทรรมไม่ใช้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาลื้อไปลื้อไปมีจิตสติเข้าไปลื้อไปถอดไปเห็นไปดูเขา้ากระดานการที่มันเกิดขึ้นกับป่ากับใจ เห็นกายเห็นใจเป็นรูปประทับเป็นนามธรรมเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของสิ่งต่างๆมากมายเหมือนกับแผ่นดินเกิดอะไรขึ้นมาอากาศโลกแผ่นดินท้องฟ้ากายใจเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามก็เห็นอย่างนี้เห็นเป็นที่เกิดที่ ปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่รูปที่นามที่กายที่ใจนี่มีสติเห็นอะไรก็เห็นเป็นจักตรวาลไปหมดเป็นการลือ้อถอนแล้วก็ได้มาจัดฐานเกิดภาวะที่เห็นขึ้นมาก็ไปเฉลยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปกับใจดังที่เราได้เห็นได้ทํากันอยู่เนี่ย นั่นเกิดขึ้นมานอกจากการจากใจอย่างเดียวไม่พอเราเคยอยู่ในเราก็าไปเอาอาการนั่นมาเป็นตัวเป็นตนซชแล้าเลยปิดบังไปใช่ไม่เข้าสู่ใน อ, อรรถสัจสไม่เข้าสู่องค์มรรคที่พระเถรองค์ได้แสดงเมื่อีนี้เห็นอยางไง เห็นทุกเป็นสิ่งที่กําหนดรู้โดยการรู้ไม่ใช่ไปสุกไปทุกเลยไม่ใช่ไปทุกเลยกําหนดรู้โดยการรู้นี่คือทุกเราเห็นแล้วเห็นเหตุที่เกิดทุกเราได้เห็นแล้วทําให้แจ้งแล้วไม่มีหลังเลสงสัยทุกข์กับความไม่ทุกข์ก็กราอย่างทำให้แจ้งที่สุด เห็นทุกข์ก็เห็นความไปทุกข์ก็ตรงกันข้ามแจ้งแล้วเราทําให้แจ้งได้แล้วเห็นวิธีปฏิบัติให้ถึงวิธีการดําเนินที่ออกจากทุกข์เราได้ปฏิบัติแล้วจึงโชว์โชอริมักโชอริมักเหมือนแวิธีการที่จะเกี่ยวข้องกับจอยนี้ โชว์ขึ้นมาลองรับขึ้นมาเหมือนจิตจะสร้างเกิดมาสถฐานขึ้นมาในชีวิตเมื่อเขาสร้างถนนมิตรภาพกว่าจะไม่เ ป, เป็นภาพกว่าจะเป็นมิตรภาพมีอะไรที่ปีขั้น ต, นตอนตรงลื้อถนอันเก่อสิ่งที่สูงก็ลื้อลงถึงที่ต่ำก็อัดขึ้นมา ไม่ใช่อู๋เลยมันมีอยู่แล้วไม่ใช่อัดหน้าตินไปเลยตรงเือหนึ่งเม็ดควรจะมีอะไรอัดลงไปนึกตื้นขึ้นมามีอะไรอัดลงไปตามขั้นตอนของจะให้เกิดเป็นตภาพอะไรก็ตามมันี้แบบฉบับือแบบการศึกษาการทําอะไรก็มีแบบ แม่าจานทรงศิลาจา์ตุ้มจบสถาปัตออกแบบตามขั้นตอนตามวิชาการหรือเหมือนกับเราเรียนแพทย์เรียนหมอได้แบบได้แผนเป็นอันเดียวกันสากลชีวิตเรากเป็นสากลแห่งธรรมความรู้สึกตัวเป็นสากล าาชายก็ตามหญิงก็ตามชายก็ตามหนุ่มก็ตามแก่ก็ตามชาติใดภาษาใดความเป็นสาวกนี ค, ความรู้สึกตัวเหมือนกันหมดความทุกข์ความไม่ทุกข์หมัอนกันหมดความโกรธความไม่โกรธหมัอนกันหมดจึงโชว์อธิมักขึ้นมาหลองรับเป็นมาตรฐานการ ธรรมเทศนากันนี้สมบูรณ์แบบในลักษณะการลื่อถอนของชีวิตของเราก็เกิดและว่าธรรมจา ก, กรรมวัฏสูตรเราปฏิบัติอยู่นี้ก็เป็นการเข้าไปสู่ภาวะเช่นนี้แม้ธรรมจักที่อยู่ในวัดเราก็ก็เป็นส่วนประกอบเราปฏิบัติอยู่นี่ก็คือธรรมจาก ที่ตั้งอยู่โน้นในรานห้นโค้งนั้ น, น, น, นเกิดขึ้นแล้วมีอะไรมีมีเรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าในอริยสัจสี่และมีประวัติสามอาการสิบสองทุกท็ต้องกำหนดรู้หนึ่งทุกเมื่อรู้แล้วเห็นเหมือนทุกไม่เป็นทุกสอง เหินหมันทุกข์ไปเป็นทุกข์พ้นจากทุกข์สอน ม, มีสอนอย่างเกี่ยวกับทุกข์ชาวมุทัยก็เช่นกันรู้รู้ไอ้ แ, แก้งแล้ ว, ลวได้ทำไอ้แก้งได้แล้วทำได้แล้วไม่มีอะไรที่กบเกินอีกแล้วคําว่าสาวมุทัยคือเหตุได้เกิดทุกข<ท><ก><ท><ก>์คืออะไรก็ เ, เรามีสติอะไรเทียมให้เราหลง คืความหลงความรู้ไม่มีจะ่งอื่นที่ทำให้เกิดความสติเป็นอื่นไปได้นอกจากความหลงแจ้งที่สุดไม่ต้องไปโทษไปเอาอย่างอื่นมาเป็นเกณฑ์มีความหลงมีความรู้มีความทุกข์มีความไม่ทุกข์มีความโกรธมีความไม่โกรธแจงที่สุดเลือกเป็นเลือกได้มั่นใจ นี่คือ 3. สามสมมุติไทยก็สามในโลดคือสามโดยเป็นอาการ12สองและรักษาของธรรม จ, จับเวลาเราปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเหมือนกันหลักเดียวเ ม, มื่อจะมีสติเป็นที่ตั้งตั้งเอาไว้เป็นตัวเฉลย ย่าแปลว่าเหตุเอาผลเวลาปฏิบัติมีการกระทําหรือ ว, ว่ากรรมฐานเมื่อมีม่อกำการกระทําแล้วกรมกรมจกระจำจำหนักไปเองไม่ต้องไปคิดเอาเหตุเอาผลตํางอย่างนี้มาเกิดจากนี้ไม่ทำอย่างนี้มันไม่เกิดจากนี้กรรมจะจำหนักไปเอง เราต้องไปจอมไปโจทย์ออนไลน์เหมือนกับเราศึกษาวิชาการอื่นๆกรรมฐานเนี่ยเป็นดิขิตชีวิตของเราเราจึงทำกรรมจิตนาลงไปมีสติลงไปมีกายไปต่อกับสติ ใีใจไปตอกับสติอะไรที่ไม่ใช่สติเกิดขึ้นกับกากับใจเราจะรู้เราจะเห็นตามความเพช้ก่อนจริงความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงสังขารความปรุงแต่งไม่จริงวิสังขารคือไม่ปรุงมันจริงสังขารมันพึ่งไปได้ ในตัวเราเนะก็เพึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้สังขารเกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็พึ่งเขาไม่ได้สังขารเกิดขึ้นกับเราเราก็พึ่งเราไม่ได้อันเจ้าสังขารมันไม่ใช่ของจริงแตววิสังขารเหมือนจริงคือเปลี่ยนวิสังขารคือหยุด เช่นความคิดที่ไม่ตั้งใจมาใชบไปเอาไปห้ามคิดการหยุดความคิดไป่ใช่ไปห้ามคิดแต่อาศัยกรรมฐานอาศัยกรรมฐานตป็นสิ่งที่โชว์ยิ่งเรามาทำเป็นสมบัติเยริญบัพพะ กลับมากับการเคลื่อนไหวไม่ใช่ไปห้ามคิดเวลาวันคิดกลับมาตั้งไว้ที่วิชากรรมฐานจุดสจังหวะเอากายเป็นนิมิตกลับมาลู่ที่นี่จะเป็นเรื่องใดก็ตามมาเฉลยที่ตรงนี้ฮัทหมาๆก็ต้องเอารูปแบบเอา นิมิตเป็นที่ตั้งถ้าเจีงแล้วก็ในตัวมันเองเรียกว่าปัณลมัตวัตถุอาการกต่างเอาจิตดูจิตเอาเองถ้าทำเป็นแล้วไม่ต้องปอาศรัยรูปแบบนิมิตเป็นที่ตั้งมีสติดูจิตไม่จิดดูจิต เอาพเจ้าที่แลกก็ทํากรรมฐานกู้แขนเข้าเหยื่อแขนออกเห็นความคิดอาจจะไปห้ามความคิดด้วความคิดกลับมาที่มาลู่ที่นี่ทําบ่อยๆทําบ่อยๆในความคิดแล้วก็เห็นความคิดเองมาด้วยกันเองอาจจะนั่งไม่ได้ทาลาย มาโดยกูกฉ้ฉนเข้าเหยื่อฉันออกเมื่อฉันไม่ชำนาญแล้วก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสลูกบำเพ็ญทางกิจไม่ใช่เดินจงกรมไม่ใช่สร้างจงบะบำเพ็ญทางกิจมีสติดูกิจสติมันมีแล้วไม่ใช่แล้วมาเองมาก่อนอันอื่น กไปหมอาสัยรูปแบบเคลื่อนไหวจึงรู้สึกตัวต่อเพิกไปชนันวไม่ชํานานมาเองไม่ต้องยกมือไม่ต้องเคลื่อนไหวะติมาเองมาไวก่อนดันอื่นแลว้วความชั่ว โดยสติทำความดีด้วยสติจิตบริสุทธิ์โดยสติมาเองมีศีลมาเองมีสมาธิมาเองมีปัญญามาเองมาให้เราได้ใช้ผู้ปฏิบัติทำทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติก็สะดวกต้องใหม่ใม่ก็ต้องฝึกหัด ทวนกระแสของโลกบ้างอาทำไปไมมนต้องทวนกระแสชีวิตขาลงมันง่ายมันสูงเป็นชัยภูมิที่สูงถ้าเป็นนาวลพบก็เห็นข้าศึกศัตรูได้ทุกรูปแบบถ้ามีสติดีแล้ว นั่นใหญ่กว่านเดินมีสติภายในกายสติอินทรีย์มันก็ใหญ่สูงพลังมีอะไรมากมายสนับสนุนเนีเมื่อมีสติแล้วทำทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นพวงพวงตถาคาก็มีความเพียนก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีศีลก็มีถ้าจารย์หมาพเจ้ามาโชว์อะไรบ้าต่ ในอธิมากดัานมีทั้งศีลมีทั้งสมธิมีทั้งปัญญาแต่ว่ารายละเอียดไอพูดโดยพุทธตรงๆว่าศีลหลต่างๆถ้าเรามาดูที่สมาทิธิคือปัญญาแล้วสมาสังกัปปะคือปัญญาแล้วสมาวาจาสมาขงานาันตาสมาชีวาเป็นศีลแล้ว สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปัญญาแล้วใช่เลยมาเกิดจากการเจริญสติไม่ได้พูดถึงสตินะเป็นอเนกสงฆ์ที่เกิดจากสติจึงมีสมาทิฏิเพราะเห็นสติเป็นที่บุกเบิกเชื่ไปก่อนเกิดการเห็นเห็นที่เห็นทางก็ดาเนินไป เราทำอยู่นี่มีความรู้สึกตัวนี่ก่อนแล้วความชั่วแล้วกลัวจะไม่ความรู้สึกตัวอยู่ที่กาย น, น, านยาาาี่มันผ่านอะไรมากว่าจะมารู่มันผ่านอะไรล่ะเยอะแยะมาเลยแต่ก่อนไมไ่เคยมาถึงภวะที่นี่เลยฟรีทั้งนั้นอะไรเป็นใหญ่ในชีวิตเรานี่ เป็นอาคารตกตาที่จรมาใช้กายใช่ใจเราไม่มีอะไรเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเมื่อเรามีสติสติจะเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจดูแลกายใจได้ความปลอดภยัยอันทุกข์มาเช่เรื่องของกายของใจ ทุกข์ุขมาใช่เรื่องของกางใจเป็นอาการที่เกิดขึ้นเราไปพว่ว่าเป็นตัวเป็นตนทำตามมันแต่ก่อนนะถ้าหลงก็หลงไปเป็นโศกเป็นวาหเป็นคืนเป็นไปีไปก็มีถ้าทุกข์ก็ทุกข์ไปเป็นปีก็มียาวไปอันเขาไปใช่ถ้ามีสติมันเป็นใหญ่ เหมือนพระพุธเจ้าองค์ทรงแสดงธรรมจัจาโคสลัดคืนไม่มีที่ตั้งไม่ต้อนรับไมาให้ข้านั่นสติมันใจขนาดนี้ไม่มีอะไรที่มาให้เหนือสติได้ที่ว่าแม่แม่ของธรรมอุปการละคนเหมือนพ่อเหมือนแม่ของชีวิตพ่อแม่ของเราคือพ่อคือแม่ของร่างกายจิตใจ เกิดเจ็บเจ็บตายพ่อแม่ของชีวิตคือสติสมชัชชญานี่มาให้ได้ชีวิตต่อยอดมาจากกายจากใจแต่ก่อนทุกเป็นทุกเห็นกายไม่เป็นกายไปเป็นอนอื่นไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรต่างๆไปรอบใช่ไปใช่ผิดประเภทติดเล่าติดบุรีติ อะไรต่างๆเป็นจริตนิสัยไปใช่อะไรก็รับใช้แล้วก็ไปนิสัยแบบนั้นตบบนี้ลงไปใช้สติสตไปในกายเนี่ยก็จะปลอดภัยไม่มีภยัยเป็นคู่มือสติเป็นคู่มือของการใช้ชีวิต มืนคู่มือการศึกษาวิชาการต่างๆก็ได้ทั้งหมดว่าแต่อะไรที่เกิดเกิดกายกับใจนี่เพราะที่เห็นไม่เป็นได้ง่ายถ้าไม่มีสติเป็นสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้ามีสติเห็นสุขเห็นทุกข์เหมืนต่างกันนะเช่น เคยถามคนบางคนเห็นนั่งหน้าปวดปูดเป็นยังไงหนูเขาก็ตอบว่าวันนี้หนูเครียดมากง่วงก็ง่วงคิดมา ก, มากเครียดพูดก็ไม่ก็ไม่ธรรมดาทุก อ, อะไร ที่ปรุงแต่งงานภายในจึงมีคำพูดออกมาไม่สุภาพไม่เรียบร้อยแสดงถึงความทุกข์ในคำพูดหน้าตาก็แสดงถึงความทุกข์ด้วยหลงตาก็บอกว่าเก้านักกรรมฐานเขาไม่พูดอย่างนี้หลงหลงต่อไม่ได้สอนอย่างนี้สอนให้เห็น <c oughs> เหมือนเครียดก็เห็นบันเครียด มันคิดก็เห็นวันคิดมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์ถ้าไปเป็นผู้เครียดเป็นผู้คิดเป็นผู้ทุกข์อน่นไม่ได้สศนไม่ใช่สติสติไม่จะเห็นเห็นแล้วมันจะไม่เป็นสอนนั้เห็นตอบไหมตอบจากนี้ไม่เอา นักปฏิบัติทำอะไรมาตอบอย่างนี้ไอ้ตอบยังไงมันก็เครียดจังเก่งก็คิดมากง่วงก็ง่วงจังเก่งท่านเละให้ตอบตัวยซี้ตอบใหม่ด้วยซี้ตรงกันข้ามเห็นมันเครียดหรือเป็นผู้เครียดเห็นมันโกรธหรือเป็นผู้โกรธเห็นมันทุกข์หรือเป็นผูทุกข์มีเสียงไหมเลย เห็นไ <c oughs> <laughs> เอ๋มันทุกข์เลยเป็นผู้ทุกข์สนุกสนุกสนุกโชว์โชว์ตอนนอนหมืกับเราโชว์สินค้าโชว์เครื่องชายตามดูสิเอ๋มันทุกข์เลยเป็นผู้ทุกข์เหรอเอ๋มันเครียดเลยเป็นผู้เครียดถ้าเห็นกับเป็นต่างกันไหมสัมผัสโดย เขาก็นื่งตั้ ง, งใจมาเออหูเห็นมันเครียดเออย่างนี้จากนี้จึงเป็นนักกรรมฐานต่อเขาว่าเห็นมันเครียดอะไรอีกต่อไปเห็นมันคิดเห็นมันทุกข์เออย่างนี้เพราะเขาบอกว่าเห็นหน้าตาก็เบอือออกมาชื่นขึ้นมานนหน่อยนึง เหมือนตอนไม่เหียวเหี่ยวได้รถได้น้ําพื้นขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้วเขาก็พูดไปเองว่าเออเพิ่งมารู้จักนะเออวนันเหีนเห็นมันเห็นเห็นกับเป็นมันต่างกันนะสติจะพาให้เกิดการเห็นเช่นนี้ถ้าเห็นแล้วก็ก้าวขึ้นได้ไม่เป็นง่ายถ้าเป็นเราก้าวขึ้นไปเป็นยากตบนที่ไม่เป็นน่ะมัน มันเป็นมรรคมรรคคือไม่เป็นอะไรครับปัญญาเห็นเป็นมรรคไม่เป็นไหลเป็นผลของมรรคเป็นกลางเห็นเป็นกลางเป็นสุดต่งร้อยจัดขว้จัดถ้าเห็นเป็นกลางกลางเป็นสัมมาทิติเป็นเรื่องพุทธเจ้าโฉ ขึ้นมาทันทีอันแรกสงปงต่อทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบบุกเบิกไปแล้วด้าเป็นแสงสว่างเกิดแสงเงินแสงทองขึ้นมาเห็นทิฏฐิธรรมอ่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติสัมผัสได้นะ เห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์สักว่าสุขว่าทุกข์มีจริงอันทุกข์จะให้ไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้แต่ทุกข์ไม่ใช่เรื่องควบไม่ทุกข์จะให้บรรจุเป็นไปไม่ได้ทุกข์คือเห็นมันทำกับทุกข์คือเห็นทำกับสุขคือเห็นอันเดียวกันหลงคือเห็นรู้คือเห็นผิดคือเห็น อันเดียวกัอนอะไรที่มันเกิดขึ้นกว่าใจเห็นเน่ยง่ายๆนะเบาๆเามื่อคนเดินตามทางไปง่ายกว่าเดินผ่าป่าผ่าตรงถ้าเป็นเดินผ่าป่ า, าที่ไม่ใช่ทางถ้าเห็นเดินตามทาง เรื่องมักคือทางสะดวกกัวการเป็นเป็นเนี่ยไม่สะดวกจุ ก, ก็ไม่สะดวกทุกข์ก็ไม่สะดวกเป็นจริงขวงกันไม่เป็นทา ง, ทางจึงฝึกตนสอนตนเป็นคู่มูออย่างดีแล้วจติตใจได้แต่พุทธวเพื่อตั้งแต่ตุ้นทาากว่างที่สุดจนถึงที่สุด คือมรรคผลนิพพานนิพพานคือไม่เป็นอะไรกับบะไรมาใช่นิพพานคือเป็นบ้านเป็นบ่เงันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของเรานี่ที่เป็นเป็นรูปเป็นนามนี้ถ้าไปมีรูปมีนามก็มีโอกาสเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานได้เอามาใช้ได้เป็นเครื่องมือที่เราใช้รูปนามเนี่ย ได้ศึกษามันมีสติมั น, ม, ม, นมีทุกข์มันจึงไม่ทุกข์ได้ไม่ใช่ไปคิดเอาสัมผัสความทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์นี่จะเห็นเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์คนเจาะความทุกข์เลยไม่เป็นอะไรกับวัไล่สิ่งที่เกิดขึ้นมากับใจนี้ ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรกับสิ่งที่นอกกายนอกใจสิ่งที่นอกกายนอกใจทําความดีไปเรื่อยแล้วความชั่วไปด้วยความดีตรงละเอาความชั่วละความดีทำไปตตแต่เพื่อแตพืออันนอกกายนอกใจเนี่ยแต่ในาการในใจนี่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเพื่ให้เป็นชีวิติทาความดี กับนอกกายนอกใจกับสิ่งหรือวัตถุอื่นมันไม่เมตตาในที่กายที่ใจแล้วก็ทำํำเมตตาต่ออื่นได้มีความรักอยู่ที่กายที่ใจก็ ม, มีความรักอยู่ต่อกันอื่นได้ยกเประวัยตัวเองได้ก็ยกประวัยคนอื่นได้มันมีที่เกิดที่ตัวเราในก่อน มีศรัทธาอยู่ที่ชีวิตเราไม่ทอดถอยเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือแล้วความชั่วทามความนี้ไม่ทอดไปทิ้งมันหลงหิัทางาตกวไม่หลงมันทุกมีศรัทธาตกวคไม่ทุกได้บอกเขาลบพระธรรมปฏิบัติตามธรรมเราทำอยู่นี่มันเป็นมันครบวงจร สำหรับมาใช้วิธีการดำเนินชีวิตเอาไปใช้เหมาะแก่การงานเป็นผัวเป็นเมียก็ยิ่งดีมีพ่อเป็นพ่อเป็นแม่คนก็ดีเป็นไม่เป็นเพื่อนกันก็ดีดเกี่ยวกับคนอื่นจึิงอื่นก็ดีบุญต้องปต่ปปออบวุธบะไปต่ออาบ ในชีวิตของเราเป็นที่ต้องถ้าเป็นหนุ่มวันสาวเนี่ยลองดูซิให้เป็นชีวิตแบบนี้ดูซิจะมีบุญไปต่อบุญเรื่อยๆไปถ้าเป็นหนุ่มวัสาวมันมีคุณธรรมภาพคุณธรรมบาปก็ไปต่อบาปเรื่อยไปมันเป็นธรรมที่ลิขิตชีวิตของเราได้ ชีวิตของเรามันสร้างได้เรียกว่าปุนวาชนะาพุณวชนานี่แข่งขันกันได้อย่าไปพูดว่าแข่งไว้ได้แข่งได้วาดก็คือเขียนเอาแต่งเอาแต่งกายแต่งใจเอาทาไปวาดลงไปมีสติลงไปในกายในใจถ้าไม่ทำก็ทาก็จะแมกไป ว่าชนาของทำได้มันหลงไม่หลงได้ทุกคนมันทุกไม่ทุกได้ <c oughs> มันโกรธก็ไม่โกรธได้เดบ่าว่าชนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนล้ายเป็นดีไปยังเรียกว่าปฏิบัติธรรมสนุกเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีมามาเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนมาหมดมีสติเป็นที่ตั้ง เป็นเจนชีวิตเป็นเจนชีวิตเจนชีวิตของทุกอย่างคือศูนย์จ ะ, จะใช่หลยมีเลขศูนย์ไปที่ตั้งถูกต้องชีวิตไม่มีอะไรที่จะทำให้ค่าในชีวิตนอกจากความรู้สึกตัวชีวิตเป็นศูนย์ก็ว่าได้ ไม่มีค่าจะให้เป็นสุขไม่มีค่าจะเป็นทุกข์คือมันมีศูนย์มันไม่มีค่าที่จะให้เป็นสุขเป็นทุกข์มาใช้ชีวิตเราให้เป็นอืนอ่นเป็นไป ไ, ได้นอ ก, กากมันไม่เป็นอะไรเป็นมาตรฐานตามได้เดี๋ยวนี้ มันมีอะไรที่กระทบไม่เป็นอะไรตามใจด้วยมีอะไรมาช่วยบ้างมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติสร้างของปล่อยไม่เป็นอะไรไม่เป็นลายคพูดว่าชีวิตเหมือนชายหาดขึ้นจะาดไหลก็มาเถอะขึ้นจะหมดไปเองชายหาดไม่กระทบกระเทือน ชีวิตเป็นชาหาดไม่กระทบกาเทือนพวกขึ้นฉันได้ชีวิตที่ฝึกดีแล้วไม่หวั่นไหวเพราะนินทาสันสรินสุขทุกนี่ว่าชีวิตสาหาดเม่อาตฐานถ้าอย่างภูผูแพร่ไม่มาตรฐานต้ออัดให้น่าถวนพิภาพ ตรงไหนที่ปล่อยเป็นช่องทางก็ปล่อยปล่อยมา마ไม่เป็นอะไรนะสอมันปล่อยเหมือนสพานไม่กักขังเอาไว้ก็มาเที่ยงรู้แล้วคือความมาเที่ยงปล่อยไปแล้วไม่เอาความมาเที่ยงมาเป็นทุกข์ก็มาทุกข์รู้แล้วปล่อยไปแล้วไม่ควา ม, เ, มาเป็นทุกข์ไปเป็นทุกข์ ความเที่ยงเป็นความที่ปล่อยวางไปแล้วไม่มีพิษไม่ภัยแล้วก็ไม่ทุกข์ก็ไม่มีพิษไม่ภัยต่อชีวิตนี่แล้วต่อชีวิตเป็นรูปเป็นนามนี่แล้วส่วนตัวของข่ายของบอลทําให้กันไม่ได้มันมีความเที่ยงมีความไม่ทุกข์ไม่เป็นพิษเป็นภัยตัวรูปตัวนามนี่ ได้บากได้ผลตรงนี้ด้วยเวที่ทิ่งที่วางที่ปล่อยเหมือนถังขยะทุกกวางกที่ทุก น, นั้นก็ไม่เที่ยงกวางก็งไม่เที่ยงนานไม่เอาปอยมาเป็นทุกถังขยะถังใหญ่เกลี้ยงเก่าตลอดเวลานี่คือ วิถีการเนินชีวิตของลูกของนามเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปทำความดีอะไรมากมายกับการกับเวลากับวัตถุสินของกับผู้คนกับศิ้กับธรรม ไาไหนไปตามความดีถ้าเราเป็นคนดีอะไรที่มันเกิดขึ้นจากเราพ่อแม่เขาต้องมีความสุขเย็นใจเพราะลูกเป็นคนดีถ้าเป็นสามีปัญญาก็เย็นใจเพราะได้สามีเป็นคนดีถ้าเป็นสพัญญาเป็นคนดีสามีก็เย็นใจเพราะมีปัญญาเป็นคนดี ถ้ามีเพื่อนคนดีเพื่อนก็เยืนใจเพราะเรามีเพื่อนเป็นคนดีมันก็งอกงามไปนับหนึ่งจากตัวเรานี่ก่อนไม่ใช่เป็นเกณ์ที่เรียกร้องจากคนอื่นถ้าความเป็นธรรมมีในโลกนี่ก็ต้องมีความเป็นธรรมเกิดที่เรานี่ก่อน จะไปเรียกร้องความเมตตามจากคนอื่นเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นความเมตตามในตัวเราแล้วล้ว <c oughs> ต่ออื่น <c oughs> ๆได้ใช่ได้ในโลกมานโลกพม่ม โ, <ล>โลกแถวโลกและมนุษย์<ล>หมูสัตว์สมมาภาพามทั้งหลายอันเดียวกันเลยก่อนที่จะไม่พลาด มักในผลคิดของเราเนกะิดมาเพื่อมักเพื่อผลรับถือพุทธจาศาสนาสร้างวัดสร้างว า, างราบุญอะรต่างๆก็เพื่อมักเพื่อผลไม่ใช่เพื่อเกิดเจ็เจ็บตายเป็นทุกข์เฉยๆความเกิดก็เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์อุปบพากจากของล็อกของชอบใจก็เป็นทุกข์ พอต่อสิ่งใดไม่ได้สินั้นนั้นก็เป็นทุกข์กจะจุดนั้นหรือชีวิตของเราแล้วมันมีความไม่ทุกข์อยู่มีศาสาสนามีคําสอนมีผู้รู้ผู้เห็นเรื่องนี้สิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์ิที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงมีแล้วในโลกนี้ ก็ออยังหลงยางทุกข์ยางโกรธจังุกอยู่ล่าสมัยใช่้หมันล่าสมัยมากทุกวันนี้เขาไม่ไมเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> น่าอายมากถ้าจะโกรธห <c oughs> ลวงพ่อเทียนบอกว่า <c oughs> แก้ผ้าอ้อมบ้านยังไม่น่าอายแล้วกับคนที่โกรธด่าปูดด่าบึง้งมันล่าสมัย แล้วก็ถ้าโกดกคนเนี่ยคนก็นเป็นน่าสงสารของคนอื่นต้องเกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ดีไปเกลียดไปอิจฉาเปลี่แปลงกันทำไมามาช่วยกันจะไม่ไดีหรือ ม, มาช่วยกันเนี่ยน่าสงสารหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี้ก็มาจะตายก็จะจะตายถ้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วน้องตาเคยตายเพราะหายใจไม่เข้า แต่หมอช่วยคืนบ้าได้เอาท่อยัดเข้าไปในปากกอนเนื้อบีบกนเนื้อในหลังคอบีบโหลดลมหมอใจไม่เข้าเป็นหลายวันแล้วก็ก็แช่นี้ชีวิตของเรายังไปเบียดเบียนไปเกลียดไปชังกันทำไมมาช่วยกัน มีลูกมีเมียก็ไปช่วยลูกช่วยเมียมีพ่อแม่ก็ไปช่วยลดพ่อช่วยแม่มีเพื่อนก็ช่วยเพื่อนยิ่งพวกเราเป็นหมอพยาบาลช่วยคนที่เป็นทุกข์เนี่ยมีบุญเป็นไปนงานบุญน้องตาเห็นพยาบาลเป็นเทพธิดาเลยเห็นหนายแพทย์เป็นเทพประบุเลยถ้ามีคนพวกนี้เราไม่รอดแล้วต้องมีความรู้มาช่วยเรา พอแม่พี่น้องส่งลูกสาวลูกชายเรีแพทย์นหมอเอาสติปัญญามาช่วยเราเนะน่ารักคือคนไทยในโลกเนี่ยเป็นคนที่น่ารักที่สุดช่วยกันได้ไปเถอะพวกเราไปช่วยกันเถอะมือห้านิ้วิบนิ้วหนึสร้างโลกขึ้นมาเก่ดขึ้นได้แน่นอนถ้าหนึ่งเราละมีสินมีทําเกิดขึ้นมาเนี่ย ตามความนี้ได้มากมายมีอะไรที่เกิดขึ้นจากมือห้านิวยสิบนี่ของเราเนี่ยี่กำลังมีหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้มีกำลังสี่สิบปีนี่สู้เสือทุกท่าจเจริญก้าวหน้ามากไม่มีวิธีใดที่จะโคจนาเท่ากับขอโชว์ิชากรรมฐานนี่ ไม่มีอเองนอื่นแล้วต้องเป็นกรรมฐานที่จะพัฒนาชีวิตถึงสุดยอ ด, ด, ยอดเป็นชายหาดชีวิตชายหาด ไ, ได้ในชีวิตของเราเนียะสมควรใช้เวลากับภาพความกันเสีย <c oughs>